ตรงนั้นก็คือพระโยคาวาจรเป็นคนมีปัญญาเห็นภัยในสังสารวัตรดำรงอยู่ดีแล้วในศีลเจริญจิตตปัญญามีความเพียรมีปัญญาบริหารตนอยู่ก็พึงกําจัดหรือทางรกชัดเสียได้เนาะนี่ก็ในสังยุตตานิายสคาทวัตในสังยุตนะนะก็กําจัดความมืดที่ปกปิดสัจจะด้วยอรหัธรรมกยานอย่างนี้แล้วมวลทนแห่งสิ่งที่พึงรู้ทั้งก็สว่างจ้าเป็นอันเดียวกันนะนี่เขาเรียกสัมมาสัมพุทธโธ ทีนี้พอไปเข้าถึงในบทคําว่าสัมมาสัมพุทธโธเนี่ยนะสัมมาสัมพุทโธเนี่ยที่บอกตัดสรู้ชอบได้โดยอะไรเนี่ยโดยพระองค์เองเนาะแล้วก็การที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธโธเนี่ยตัดสรู้ชอบได้โดยตนเองด้วยแล้วก็สอนบุคคลอื่นให้รู้ด้วยเนี่ยคําว่าสัมมาเนี่แปลว่าโดยชอบเนาะ สัมมาเนี่ยโดยชอบอิติปิโสภะกวาสัมมาสัมพุโทโธแม้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตัดสรู้ชอบด้วยโดยพระองค์เองเนี่ยตัดสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบก็ได้นีโดยชอบก็ได้ น, ดไดนี่เป็นเป็นนิบาต ท, ที่ใช้ในอัตวดีนะสับนี้เป็นนิบาต ปาถาว่าสังเนหรือสาวว่าสังนเนเป็นอุปสรรคท่านอธิบายว่าสยังเพราะเหตุนั้นผู้ภาจาร์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะเพราะอะไรเพราะตัดสรู้ธรรมทั้งปวงคําว่าตัดสรู้ธรรมทั้งปวงโดยชอบและด้วดยพระองค์เองในข้อนี้นะตัดสรู้ธรรมทั้งปวงก็เปลว่าพระธรรมทั้งหมดเนี่ยพระองค์เอามาตัดสรู้หมดเลยอ่ะพระพุทธเจ้าตัดสรู้อะไรตัดสรู้อะไร แต่สรุปอริยาศาสตร์แสดงให้เห็นชัดว่าทุกอย่างพระพุทธเจ้ามาแต่สรุปหมดเลยเนี่ยมองแค่เนี้ยง่ายมองแค่ไหมถ้าคิดอย่างนี้จะจะไม่ยากพระพระเทเรซไม่ตำหนิเนาะตำหนิวศักดิ์ไม่ตำหนินะเออดีแล้วดีแล้ว <c oughs> ตำหนิไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ยอมนวนจะบอกอ๋อปฏิตราชเทศทีนี้ ฉะนั้นตัดสรุปรมทั้งปวงอนะ่ะทุกอย่างที่เป็นพระธรรมทั้งหมดนะเนี่ยพระองค์มาตัดสรุปหมดเลยเอามาตัดสรุปด้วยความเป็นอริยสัจเอามาสักชิ้นหนที่ไม่มีตัดสรุปมีไหมเอ้าสังขารวิการและขณะนิพพานบัญญัติเอาบัญญัติมาตัดสรุปด้วยไม่ใช่ไม่ไม่เอาบัญญัติมาตัดสรุปนะีตรงนี้สําคัญมากเพราะเพราะจะได้ไปเข้าใจอีกเยอะใช่ไหมทําไม่ตัดสรุปบัญญัติเป็นพระเจ้าได้ไหม ไม่ได้ใช่ไหมเอาแล้วเอาแล้วแตเนี้ยเอาแล้วตัสลู <c oughs> ใช่ไหมตัสลูบัญญัติให้เป็นอริยสัจได้ยังไงเอาสิตั่เนี้ยเพราะตรงนี้นี่แหละถ้าพูดคำนี้ก็กระเทือนเงินในกลุ่มที่รังเกียจบัญญัติว่าเป็นสภาวะที่ม่มีอยู่จริงเอาละสิตั่เนี้ยรูปประขัน คำนี้เป็นบัญญัติไหม<ช>เวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันวิญญาณขันเป็นบัญญัติไหมเ<ช>อาวิชาสังขารวิญญาณนามรูปตรายัตนาภาษาเวทนาตันหาวปาทานภาวะชาติฉลาบราณาเป็นบัญญัติมเนยเขาเรียกบัญญัติอะไรวิชามันเป็นบัญญัติใช่ไหมบัญญัติที่มีสภาวะรองรับจริงๆด้วยทีนี้เวลาพระ อ, องค์ตัดสรุ้อวิชาโดยความเป็นทุกข์สัตย์ ตัสรุอวิชชาสมุทัยยะคือเหตุหรือตัณหาที่เป็นเหตุให้อวิชชาเกิดนโดยความเป็นเป็นสมุทัยยสัจจะตัสรุอวิชานิโรธะก็คือความไม่เป็นไปของตัณหาและก็อวิชชาทั้งสองนั้นเป็นนิโรธาสัจจะตัสรุอวิชายะนิโรธคามินีปฏิปทานก็คือว่าตัสรุอริยมรรค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 และรู้ว่าสภาวะปรามาสเหล่านั้นมีอยู่จริง<ล>ใช่ไหมฉะนั้นการที่ว่ากว่าการที่โลกียะปฏิเวทยานที่ไปแทงตลอดโดยอารมณ์แทงตลอดทั้งปรามาสและบัญญตัติแล้วก็เพื่อจะละความรุ่มหลงโดย ท, ทางก้าวทหารในขณะอย่งวิปัสสนาคือความรุ่มหลงในปรามาสและบัญญัติเป็นอย่างนี้ท่านไม่ได้แยกกันเด็ดขาด จนรังเกียจแม้กระทั่งบางให้สังเกตนะพินญาญาธรรมธรรมที่ควรรู้ยิ่งหรือญาญธรรมห้านั่ น, นะตัดสรุปญาญธรรมหตัดสรุปญาญธรรมหก็มีอะไรสังขารสังขารก็ได้แก่สั ง, ส ง, สงธรรมนั่นเองธรรมที่มีปัจจัยบุ้งแดงนะแต่สังขารในที่นั้นเอาสังขารยังไงเอ้าเอาเอาที่จริง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 แล้วก็มาบัญญัติห้าประการนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะย่ยธรรมห้าใช่ไหมเนี่ยพระเจ้าตัสรูนี้สัมมาสัมพุทธาตัสรูนี้สรุปแล้วก็คือพระองค์ตัสรูบัญญัติด้วยไอตรงนี้ก็บอกว่าหลักฐานถ้าเขาถามว่าหลักฐานยังไงว่าวิปัสสนารู้บัญญัติได้เอ้าก็ยยยธรรมห้าไงสัมมาสัมพุทธารู้เอาเราเป็นรายเราเป็นอนุพุทธาหรือเ่า ใช่ไหมอถาถรรพุทธะก็ตามท่านที่เฮ้ยพระเจ้ารู้ทั้งหมด เ, ออเราก็รู้ไม่ทั้งหมดสิใช่ไหมคำว่าไม่ทั้งหมดคือรู้ทุกอย่างนะรู้มรรยดด้วยแต่เรารู้น้อยกันเขา้าใจยังแต่เนี้ยโอ้นี่ชัดเลยแต่นี้ยนะแล้วก็อนี่ไงหลักฐานเห็นแล้วพอชัดเจนนี่ยังแต่เนี้ยใช่ต้องรู้คือจัตตลูโดยความเป็นสังขารไง แต่เป็นสังขารธรรมเป็นสังขา ร, ร, ร, ขารทุกข์แต่ไม่ใช่เป็นทุกขสัต์ไม่ใช่เป็นทุกขสัต์ฉะนั้นการที่ท่านกล่าวคาว่าสัมมาสัมพุทธะเพราะตัสรตวธรรมทั้งปวงโดยชอบและด้วยพระองค์เองในขณะนี้คาว่าพุโทโธหรือคาว่าสัมมาสัมพุทธโธ ม, มีความหมายต่างกันอย่างไรอ่ะอืม พระเถรคาถาจารย์ท่านเฉลยบอกว่าเพื่อจะพารนาคุณแห่งอาสวะขย้ายานอันกระทำการละกิเลสทั้งหมดอันให้พุทธคุณทั้งปวงพระเถรคาถาจารย์ก็บอกว่าคําว่าพุทโธเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเพื่อจะพารนาคุณแห่งสัพพัญญุตยานันเป็นไปแล้วในธรรมที่ควรรู้สิ่งทั้งสิ้นและท่านก็กล่าวต่อไปว่าสัมมาสัมพุทโธจัตสรูดดอองง้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ในคํานั้นคําว่าอาสวัคยายานหรือสัมมาสัมโพธิญาณเป็นไวยพจน์ของอาหารหัตธรรมคยานนั่นเองอาสวัคยายานสัมมาสัมโพธิญาณเป็นไวยพจน์แห่งอาราธรมคยานก็แปลว่าเป็นคําที่ใช้แทนกันเนี่ยดิฉันว่าธถิด า, าจารณวัง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 มือพูดไปเหมือนกันนั่นไม่ใช่นะท่านไม่ใช่เป็นแบบนี้แต่พูดให้ฟังเราเออท่านไม่ได้มีความวิเศษอิทธิปฏิหารใดๆเกิดขึ้นเอาไหมถ้าบรรลแบบเนี้เอาไหมอโอ้มากน้อยอย่างเขาให้มากเขาไม่ให้มากน้อยในกุศลและธ ร, รรมกุศลไม่มากน้อยเลยถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่น้อยเลยนะกว่าจะได้นี้มาเนะ ไม่ฝากชื่อไว้ในโลกใบนี้เลเขาได้ศึกษาประวัติเลยนะมาศึกษาประวัติ น, ะน่าทึ่งเลยทีนี้อย่าลืมนะคนที่ศึกษาประวัติของท่านเหล่า น, นี้เยอะตอนนี้สว่างจ้าทุกภพในการมาพบรูปรพบและรูปรพบใช่ไหมเขาอยู่ในใจของท่านนี่หลายกฎ ร้ายกูท่านไม่ต้องมานั่งท่องนั่งเรียนอย่างเราด้วยท่านชัดเจนเลยเพราะความจำของท่านไม่มืดมนเหมือนเราเพราะกิเลสในใจท่านไม่มีอ่ะเจะมการจำอดีตของท่านอิงกิ่งมาชัดเจนมาแล้วก็แต่ไม่สามารถละโทษพร้อมทั้งวาสนาได้ไม่สามารถจะยังทำที่ควรรู้เม้ทั้งสิ้นให้สว่างสวัยได้ย่อมละอารัฐมรรคที่กาลังเกิดขึ้น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 ในภายหลังเพราะกระทาให้สว่างสวายเป็นอันเดียวกันกับอาหัตมักตรงนี้ท่านก็ท้วงนะท่านท้วงบอกว่าอี ه, มื่อเป็นเช่นนี้อาหัตมักเนี่ยนะจะได้วัวหารว่าสับพญุตวะวายานบ้างกระทาเยียยธรรมทั้งสิ้นบ้างให้มีแสงสว่างเป็นเดียวกันกับอาหัตมักเนี่ยนั้ย่อมไม่ได้วัวหารนั้นเพราะมีขนาดเดียวกันและก็เพ่อมีที่ผ่านเป็นลมเดียวเนี่ยอุปมางี้ท่านออปมาบอกว่าไอ้ดวงประทีปเนี่ยดวงไฟนี่นะ ที่เรานํามาแล้วเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่แสงสว่างดวงประทีปที่เขาจุดในเรือนยามรัติการย่อมกําจัดความมืดในขณะหนึ่งย่อมกระทําพันธ้มีหม้อและผ้าเป็นต้นที่มีอยู่ในเรือนทั้งหมดให้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวเนี่ยดวงประทีปนั้นแม้จะทําแสงสว่างอยู่ภายในย่อมไม่เห็นบรรท้าทั้งหมดหรือบางหรือเห็นบางส่วนนะแต่ผู้มีจักรสู่อื่นย่อมเห็น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 อันสมควรแก่การนึกในภายหลังที่ปัญหาคือว่าสัพพัญยุตยานในเวลาเกิดขึ้นหลังจากได้อรหัตมาร์กเบนะียเศษเน่ยสัพพัญยุตยานนี่แหละสมควรแก่การนึกในภายหลังด้วยอนุภาพแห่งใดอารธัตมร์กนั่นแหละเป็นอุปนิสัยปัจจัยยิง่ง่ากล่าวกันไปก่าวกันมาเบ็ยเศจแท้ที่จริงก็คือในกมูลสันดานของท่านบูนั้นของของพระผู้มีพภาคนั่นแหละเปรียบเหมือนบุคคลผู้ได้ฌานเนะี่ย คนใดคนหนึ่งนั่งอยู่ในที่แพ่กสินโดยคิดว่าเราจะดูรูปทั้งหลายในป่าหญิงมะพร้าวเป็นต้นมีเนื้อที่ประมาณเท่านี้เข้าฌานตามลำดับมีกสินเป็นอารมณ์ตอนเข้าฌานมีกสินเป็นอารมณ์ไหมมีปฏิภาคคัมิตรเป็นอารมณ์ออกจากจตุจารแล้วไข้ควรด้วยกามาวจรจิตประกอบรูปจงปรากฏในระหว่างนี้อธิษฐานอีกพออธิษฐานเบสเสร็จก็รูปก็ย่อมปรากฏพร้อมด้วยกับการอธิษฐานนี้ชื่อว่าอธิษฐาน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 ที่จิตนั้นส่องสว่างแล้วตามสบายได้จากสุปกติแปลว่าอภิญญาจิตนําทางให้แล้วแต่การมาคิดเป็ น, ผนแผนกมาไข้ควรเป็ น, ผนแผนกใข้ควรไปตามวิถีต่างๆเหล่านี้เป็นการมาวจรจิตมองเห็นไหมว่ามหากริยาญาณนะสัมปยุ่ต่จิตที่เป็นสัพเพเยื่ตญาณนะคิดได้เป็ น, ผนแผนแกแผนกคิดได้รวดเร็วคิดได้มากมายคิดได้ยังกว้างขวางตามที่อาธามักของท่านนั้นเป็นอุปนิสัยไว้ให้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 ย่อมเป็นไปตามที่ปรารถนาด้วยการมาวาจรจิตในภายหลังในขณะนั้นนะนะสัพพัญยุตยานของพระตถ า, าคตเป็นชไหนก็คือสัพพัญยุตยานพระตถ า, าคตรู้สังกธัธรรมและอสังกัธรรมทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วก็ชื่อว่านาวร า, านัญญาณเพราะไม่มีอะไรขีดขวางในญาณ น, นั้นจะไปด้วยกันนะสัพพัญยุจานญาณกับนาวรณนญาณานเนี่ยคือสัพพัญยุตยานก็ทํากิจหลังจาก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 ถ้าพุทธิย่าไม่อรู้ป๊อปๆจะป๊อปๆมันพระองค์อาจจะหยุดเลยก็ได้ใช่ไหมแล้วสกิดเอี่ใครนั่งเมื่อกี้หลับหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะแต่พุทธิย่าคนฟังเสียงพุทธิย่าไม่มีหลับแต่ฟังเสียงธรรมมาหลับเยอะ <c oughs> ตรงนี้ก็นี่คือสัรพยุติยานเพราะตาคตรู้ทำทั้งเป็นที่อดีตทั้งปวงนะสัรพดิญา น, นี่รู้อดีตทั้งหมดไหม รู้ทั้งหมดที่เป็นชื่อว่านาวรายานเพราะไม่มีอะไรขีดขวางในพยานนั่นเลยคิดอดีตปุ๊บก็ไม่มีอะไรมาขวางเอะอย่างเรามีไห ม, ไมเยอะไหมเยอะเยอะมากเลยคิดไม่ออกเลยใช่ไหมซภริยานเนี่ยเวลาจ ะ, ตถ า, าะาตถาเปเพราะพระตถาคตรู้ธรรมในส่วนอดีตทั้งพวงแล้วก็รู้ธรรมในส่วนของปัจจุบันทั้งพวงอนาวรา ย, าายานก็ไม่มีอะไรมาขีดขวางเอาปัจจุบันในรู้ทั้งหมดไหมไม่หมดหรอรู้ใกล้ใกลแค่นี้ หันหน้าไปที่ข้างหลังก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นสะพายุทธยานรู้หมดเลยเดินไปข้างหน้ารู้รอบหมดเลยไม่ใช่รู้แค่อยู่ปัจจุบันเนี่ยรู้ตอนนี้ที่อเมริกาเป็นยังไงที่อิรักเป็นไงอิหร่านเป็นยังไงอาฟกานิษฐา น, เ ป, น เ, เป็นยังไงอินเดียเป็นยังไงปากีสถานเป็นยังไงจะนึฟุบท่านน้อมนึกจะรู้อะไรรู้ทันทีหมดเลยไม่มีอะไรขวางเลยว่ามหาสัจจั์ขนาดนั้นเนี่ย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 บางทีไม่มีใครรู้เลยกลับมาถึงบอกว่าอนุนเงยอย่างนี้เป็นต้นนะนะนที่ไม่จางลึกลงไว้เยอะมากที่องทํางานในการโปรดสัตว์ในการได้ตัดสรุ้เนี่ยโอ้ถ้าอย่างงั้นจะบันทึกไหวไหมอ่ะไม่ไว้เลยอรับที่องทํากิจตลอดเนี่ยไม่น่าถึงจริงนะศ า, ศาสตร์สรางอนะไเงี้ยเข้าใจใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้งนั้นสพัยุตยา น, นี่จะเป็นไปลักษณะอย่างงี้ โอ oh, จริงๆถ้าพาลานาเรื่องสรรพยุติยา น, นี่ mm hmm. เยอะเลยเนี่ยนี่ต้องการให้เห็นคุณของพระพุทธเจ้ารู้ตาและรูปทั้งหลายใช่ไหมทั้งหมดชื่อว่านาวรายานพ่อไม่มีอะไรมากีดขวางว่พาพระพุทเจ้าจะกําหนดรู้ตาเนี่ยหมดเลยเอามาทําเป็นรั้วลิยาสัตว์หมดเลยเอะสัมมามสัมสพุทโธนี่นะเอาจักขูเนี่ยใช่ไหมเป็นทุกษัตริย์เนี่ย จักขูในสากลจักรวาลทั้งสิ้นพระองค์เอามาประชุมแล้วเอามาวิจัยในความเป็นทุกข์หมดเลยตัณหาที่เป็นปใจใัจจัยจักขู่ประสาทเกิดก็รู้หมดวิจัยหมดนะว่าจักขู่แต่ละบุคคลเนี่ยมีตัณหาบวกกรกรรมเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยรู้หมดนะแล้วจะจะได้จักขู่ต่อไปอีกเท่าไหร่จักขู่ที่จะมาเกิดนั้นเป็นจักขูของเปรตอสุรกายสาัตว์านชาลิสัตวในโลกหรือของมนุษย์ของเทวดาของพรหมเนี่ยรู้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 นี่การจะตัดสู้เป็นสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยขนาดนั้น <laughs> เราแค่จะตาเราอย่างเดียวก็เป็นที่ตั้งของโมหะอยู่ในหลงอยู่กันใช่ไหมเออแต่ก่อนเนะเรามองอุ๊ยเนียไหมเรามองตาเราไม่เคยมองถึงโครงสร้างของตาเลยเราเห็นจกักูเราเรียนจกัรรนจกรคระสาสตร์กันมาแทบนานตั้งนานใช่ ไ, ไหมเราไม่เคยเรียนสัมปบาราจักขูเราไม่เคยเห็นว่าจากักครูมันเป็นทุกข์ยังไงเลย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 ทิถี่บ้างมานะบ้างโทสะบ้างเห็นตาบางคนเรากดเลยนะี <c> ่ย <oughs> นี่ด้การที่เราไม่เคยรอบรู้ไม่เคยเอาตาของเขามาวิจัยดีกว่ามีทุกษัตริย์จริงๆว่าตาเหล่านี้มันมาจากสมูทยัยสมูทัยนั่นบวกอากุศลกรรมบ้างอากุศลกรรมบ้างแล้วแต่ตาของสัตว์ใช่ไหมตาของมนุษย์หรือตาของเปรตหรือสุ ร, รกายหรือสัตว์สิริฉานหรือสัตว์น ร, ร, รกหรือตาตาของเทวดาอย่างเงี้ยเ้า แ, แยกแยกแยกรรมดํากรรมขาวไม่ออกนี่ผลของกรรมดากรรมขา ว, วก็แยกไม่ออกนี่คือจาก คำว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยวิจัยเกลี้ยงหมดแล้วแล้วอย่างนี้ตัณหาจะเกิดไหมยมเดียนไม่เกิดเลยใช่ไหมบอกว่คนนั้นมองคอนเอ่ะคอนคอนไปที่ใช่ไหมเรารู้เนี่ยว่าการมองคอนเนี่ยไหตาที่มีการมองค้อนแล้วก็ที่มันมีการกลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยกลิ้งไปกลิ้งมามีโทสะเนี่ยโทสะเป็นตัวเป็นตัวคิดนะ่ะเป็นจิตตะเชลูปไหม เมื่อจิตแต่เชลกปกาคือจิตแตชะวาโยธาดพัดผันเนี่ยก็ทำให้ตานั้นมีการหมุนกลับไปกลับมาแล้วคลอนกลับไปกลับมาที่มาเรียกสำนวนว่าคลอ น, นแล้วก็เห็นโอนี่เห็นไหมท่านบุญนี้ใช้ตาทำอากุศลกรรมอยู่แล้วโอ้โหประทุศลายตาตนเองแท้ถามว่ากรรมที่เราสร้างตาเข้าไว้เนี่ยไม่รู้กี่ล้านกี่โกดดวงยวงตาที่เราทําเข้าไว้เนี่ยพอปฏิสนธิใหม่เขาก็มยายัดใส่ปึ๊บหนี่ ที่คุณทําไว้ทั้งนั้นก็ามาโอ้โหตาตามสภาพนั้นเหละกรรมมันจัดสรรใสปุบปุบปุบปุบหมดเลยใสหมดเลยนี่ชอบตาแบบนี้ดีนะก็ใส่ให้ใส่ให้ชอบหูแบบนี้ก็ใส่ให้ใช้จมูกใช้เอาฟันแบบนี้ใช่ไหมเอาใสาให้ชอบลิ้นแบบนี้ใสให้ใช่ไหมนี่กรรมจัดสรรมาอย่างนั้มีตัณหาไงสมุทัยไงบวกกับกรรมไงใช่ไหมเอวิชาก็ปิดดีแล้วดีแล้วตาแบบนี้แจ๋วออกมาแจ๋วจริงๆเลยตันี้ มันคนละกรรมแท้ๆใช่ไมมันก็จัดสรรให้ไหมนี่คือสมุทรยาสัจจะเป็นโรงงานผลิตทุกผลิตชิ้นส่วนเก็บชิ้นส่วนเขาโยมนวนไว้เยอะในสังสารวัตนี่มากถ้าชิ้นส่วนนี้พังไม่ต้องกลัวจิตติเมื่อไรก็ให้ชิ้นส่วนใหม่ตัณหานี่ก็จะมาจัดสรรร่วมกับอุจวรกรรมร่วมกับอุศวรกรรมเนี่ยแล้วแต่เขาจะทันอะไรเนี่ย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 มมหาบริษัทลักษณะ 3.2 อนุพันชนะประดับอีก80ได้ให้ได้เนี่ยใช่ไหมถึงบอกไงเนี่ยจะทำแบบไหนโรงงานเนี่ยโรงงานเนี่ ย, โรง ง, นนยโรงงานผลิตแต่นั่นแหละคือเขามอบทุกให้ก็เอาไปบริหารกันบริหารก็คือเอาไปทำกำ ร, รกันอีกอะ่ะบอกไง ถ้าไม่ชอบใจก็ทําใหม่ทํา โ, โหน่ากลัจริงมองเห็นไหมเนี่ยถ้าอย่างนี้พเพียงพ อ, อยังที่จะเบื่อนายเพียงพอไหมเพียงพอแล้วเนี่ยเพียงพอแล้วที่ที่จะเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าจริงๆพระองค์กล่าวอย่างนี้แหละภาษาของท่านชัดเจนก็ภาษาอตัตมา ภาษาอะไรมาก็เอ๊ทํำยังไงให้ชัดเจนนั้นก็ออมาม า, ม า, ม, ามาเปลี่ยนจานวนนิดหน่อยแต่ไม่ใช่เปลี่ยนพุทธพจน์นะไม่ได้เปลี่ยนคำกล่าวนี้ไม่ได้เปลี่ยนพุทธพจน์เป็นการชี้เห็นเพื่อจะเจาะข้อหาพระธรรมของพระพทเจ้าพระเจ้าบอกนี้ทุกนี้เหตุได้เกิดทุกก็คือนี้ไงนี้โรงงานผลิตทุกใช่ไหมเราได้เข้ามาเห็นไหมเนี่ยได้เข้ามาแล้วเห็นไหม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 มันปีได้นะโถอยอยู่ตเราด้วยใช่ไหมแต่เราเห็นไหมล่ะมันบีมันแทรกซึอมอยู่ทุกจุดอนุของร่างกายและของขันด้วยทั้งรูปธรรมและนมามธรรมนั่นก็เบียดเบียนกันนะเข้านะเข้ามันก็เล่นกันเราใช่ไหมบางทีเล่นทั้งรูปเรื่องทั้งนามาขันไม่ได้มาเล่นรูปขันเล่นรูปขั น, น, ขนอยู่มันเล่นเล่นไปเล่นมานะเข้านะเข้าก็ อินทรีย์ก็เริ่มเศร้าหมองกันเป็นแถวจากขุก็เศร้าหมองโสตะก็เศร้าหมองคาน่าชิวหาสลีลาก็โคง้งงอผิวหนังก็เหยีหหหยวย่นใช่ไหมหน้าตาก็เริ่มหมุ่นหมองไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืยหนักเข้าหน้าเข้าเป็นที่รังเกียจของหมูญานิมิหนักเข้าอสมองก็เล็กลงเล็กลงฝ่อความคิดก็สั่นลงท่านลงเอาแล้วไปแล้วทีนี้ แต่ก่อนเขารักมากเขาเป็นที่ตั้งของตันหาคออนอื่นมาก็เยอะนะเขาก็เป็นที่ตั้งของโทสะลำคาญหลงและตอนนี้เลยนะเข า, า ก, ก็ตายไปก็อยู่อย่างเงี้ยสังสารวัฏก็อยู่เงี้ยแล้วก็ลองนึกถึงสภาพของเราอีกสิปียี่สิปีข้างหน้าดูดิเราจะเห็นชัดเลยหน้ารังเกียจนะหน้ารังเกียจในที่นั้นคือหน้ารังเกียจบาป บาปประทรับทั้งหลายกิเลสทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในกระแสขันของสัตว์เนี่ยนะ่ารังเกียจตัวนั้นน่ยสัตว์โลกก็ไม่รู้ไอ้ไหมบอกว่ า, วาอย่าไปรังเกียจกันนะถ้าจะรังเกียจให้รังเกียจกิเลสที่เกิดขึ้นในกระแสของแต่ละคนสิ่งเหล่านั้นควรละแต่ท่านเหล่านั้นไม่ละอ่ะไม่ใช่เขาไม่อยากละจริงไหมในขณะที่เราทุกข์ร้องทุกข์ทรมานอย่าเราอยากจะละความคิดนั้นไหม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 เรียนรู้เนะี่ยนี่แหละเป็นปัจจัยแวดล้อมแก่การที่จะไปกระตุนต้นเตือนบารมีกระตุนต้นเตือนโพธิปักญาธรรมกระตุนต้นเตือนศีลสมาธิปัญญาจะได้สมาทานต่อเนื่องตั้งใจบ่อยๆนั่นแหละทาไมาใช้สับปะตั้งใจบ่อยๆใช่ไหมตั้งใจบ่อยๆมันหลุดปุ๊บตั้งเดี๋ยวนั้นเลยหลุตั้งใหม่หลุดแล้วตั้งใหม่เดี๋ยวแข็งแรงใช่ไหมมันนสิกานบ่อยๆโยติโสมนาสิการบ่อยๆนั่เขาก็แข็งเลย ไม่มีอะไรทําไม่ได้ปราถนาอะไรก็ได้ทําไมจะไม่ได้เจ้ไม่ใช่ลองปราถนาดิแล้วตั้งว่าได้เนี่ยทุกวันลองคิดดูทีเนี่ยเราใกล้แล้วพอพิจารณาบอกเราใกล้แล้วปราถนาอะไรมันได้ขนาดเปรดปราถนาอยากจะพบพระพุทธเจ้าตั้งไม่รู้กี่พุทธันดรนี่คิดว่าพรุ่งนี้ได้สําเร็จเนี่ยพรุ่งนี้สําเร็จเนี่ยเท่มั้ยฉะนั้นถามว่าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็น จะเห็นการตัดสู้ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมฉะนั้นคําว่าสัมมาสัมพุทธโธดังที่ได้กล่าวตรงนี้ก็คือว่าสัพพัญญตยานของพระผู้มีพระภาคเจ้านะพระธถาคตนั้นทรงรู้ตารู้รูปทั้งหลายทั้งหมดชื่อว่านาวรณญญาณไม่มีอะไรขีดขวางแล้วก็รู้หูรู้เสียงนะนะก็ไล่ไปตามลําดับนะตรงนี้ก็จริงๆก็สัพพัญญตยานก็ดีคําว่าสัมมาสัมพุทธโธเป็นต้นก็ดีเนี่ย ที่จริงกิจในการกระทานั้นแทบจะไม่ต่างนะไม่ต่างกันแต่เรียกชื่ออีกอย่างเ น, น, นะนะเรียกชื่ออีกอย่างแค่นั้นเองเพราะว่าในขณะที่รู้ใช่ไหมในขณะที่เข้าไปแทงตลอดยกตัวอย่างที่ว่า ก, กล่าวคำว่าเมื่อวานเนี่ยที่พูดถึงในเรื่องของคำว่าสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยที่บอกว่า อภิญญยาธรรมคือธรรมที่พึงรู้ด้วยญาณอ voi, นะะันวะิเศษได้แก่วิชาและวิมุตต์คือมรรคและผลแล้วก็ร like ู้อริยสัจส <spannend> <blem cht> <Hollywood> <masterpiece> ี่ใช่ไหมหรือก็รู้ยยธรรมดังที่ได้กล่าวแล้วก็ตัดสรุปปรินยยาธรรมคือธรรมที่พึงรอบรู้ได้แก่ทุกขสัจตัดสรู้ปหาตประธรรมธรรมที่พึงละก็ได้แก่สมุทัยสัจจะตัดสรุปสัชิกาตประธรรมคือธรรมที่พึงทําให้แจ้งได้แก่นิโรธาสัจจะแล้วก็ตัดสรู้ภาเวตประธรรมคือธรรมที่พึงเจริญก็ได้แก่มรรคสัจ ส่วนในหนึ่งนะที่มาขยายความกันก็คือในคัมภีวิสุทธิมรดีในคัมภีในชั้นของเนี่ยในด้านของสาร ถ, ถาทีปณีดีกาพระวินัยก็ดีที่ท่านมาขยายขยายตามพุทธคุณคือในชั้นของดีกาก็มาขยายขยายจากอัตถกถาในชั้นของว่ารกาักถาท่านก็ขยายในเรื่องของจักขู่เป็นทุกข์ษัตริย์นั่นแหละเพราะเป็น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 ความแก่งอมของจักษุก็เป็นชราและจักษุมีโรคได้ไหมนั่นเป็นพยาธิไหมและความมรณะการดับลงของจักขุปัสสาทก็เป็นมรณะเป็นที่ตั้งของโสโกกปพิเทวาทุกขโทมนาสาตและอุปาญาตจริงๆสรุปก็คือว่าทุกสิบสองกองใช่มสิบสารวมทั้งเป็นอุปาทานขันนั่นเองรูปูปาทานขันโท ขันนั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปประคันใช่ไหมสรุปนี่เป็นเป็นทุกข์สัตว์<อ>ถ้านในลักษณะอย่างนี้แปลให้เห็นว่าเออเป็นที่ตั้งของชาติทุกข์ชราทุกขมรณะทุกข์และดังที่ได้กล่าวว่าตาเนี่ยไม่ได้เป็นที่ตั้งของชาติทุกข์ชราทุกมรณะทุกขของท่านพูดนั้นเองเท่านั้นยันเป็นที่ตั้งแห่งชาติทุกข์ชราทุกขมรณะทุกข์เป็นต้นของของบุคคลอื่นด้วย เนี่ยตรงนี้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเวลาศึกษาคําว่าสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยที่บอกว่าตัดสรู้ชอบได้ด้วยตนเองเนะและสอนในบุคคลอื่นตัดสรู้ด้วยแปลว่าสิ่งต่างๆเหล่านีย้ยกตัวอย่างเช่นจักขคู่คือทั้งจักรคู่ประสาททั้งศาสัมภาระจักรสุนะทั้งยวงเลยว่างั้นเถอะทั้งก้อนเลยเนี่ยแม้แต่ตัวจุดเล็กๆของจักรคู่ประสาทซึ่งเป็นที่ตั้งของจกักขคูวิญ ญ, ญาณ และทำที่เกิดร่วมกันกับจกักรวิญญาณคือตัวจิตเนี่ยที่เข้าไปรู้ไปรับไปเห็นเป็นต้นได้ัน้นในจักขคู่ทวารทั้งหลายนั้นล้วนแต่เป็นที่ตั้งของจกักรวิญญาณเป็นต้นลเลยนี่คือในจักรคู่ประสาทเนี่ยทีนี้ตัวจักคู่ประสาทอันนั้นก็ต้องบอกว่าจักคู่ประสาทจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยดินน้ำไฟลมสีกินรสโอชาธาตุและในจกักอย่างนี้ก็เป็นอะไรแปดบวกหนึ่งก็เป็น9แล้วก็มีชีวิต มีชีวิตตรูปด้วยเป็นตัวหล่อเลี้ยงรักษาจาักรครูปร า, าเป็นต้นเหล่านี้รวมเบ็ดเสร็จเขาเรียกว่าจักขุท่าศักกราบกราบที่มีจำนวนรูปสิบรูปใช่ไหมมีจักขครูปราศหนึ่ง